จะได้ไปทำนะอยากไปทำทุกท <defender, v. S 2> ่านครับพวกเราถือว่าเป็นโกาดีที่ได้มาเจอสติในวันนี้อ่านเองตอนนี้จะิตอยู่ไหสถิอยู่ที่ไหนสถิอยู่ที่ตำดาสถิอยู่ที่ครูอาจารย์ จะเป็นตที่เราอยู่ที่อรานี่และเป็นสติแบบอยู่ตัวเราเนาะเราอยากจะแสดงหาสติอยู่ที่สถานที่ไม่ใช่สติอยู่ที่วัาไม่ใช่สติอยู่ที่ตึกไม่ใช่สติอยู่ในประตูสติต้ออยู่ที่ตัเราผมก็เพียงท่านกล่าวว้แล้ว การแสดงหาแสดงหาความต้ทุกข์เนี่ยอย่าไปแสดงหาครอบครัวอย่าไปแสดงหาพระพุทธเจ้าแสดงหาพระอริยะสงฆ์ให้แสดงหาที่ตัวเราเนี่ยเพราะตัวเราเนี่ยตีเราจะทุกข์หรือเราจะสุขเราจะไม่ทุกข์ก็อยู่ที่เราเนี่ม ถ้าเราแสดงหาตัวเราเติมบางทีเน่เราไปพบว่าที่กินสุกหรือปุ๊บหรือว่ามีปุกบมีสุกเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราธรรมะมันอยู่ที่คนอื่นหรือเปล่าอัตนาเองก็เที่นะบางทีทำไมเราทุ๊บนะเพราะไปคิดว่าคนอื่นทำใ้เราทุกบเติมหรือทีเราก็เคยคิดว่า ถ้าเราอยากจะมีความสุขเราก็ต้องได้เนนี้ได้ตร er ็นี้ได้ทําอะไรสาเร็จทุกอย่างมาถึงที่มีความสุขมันเหมือนเราหมือนความสุขของเราเหมืต้องได้อะไรมาทักอย่างนะถ้าถึงทีมีความสุขเดี๋ยวงทีเราทุกเราก็ได้โทษคนอื่นหรือโทษสิ่งอื่นว่าทําที่เราทุกเป็นกันไหม แล้ตอนนี้เราเต็มใจไหตอนนี้เวลาเราทุกเราเต็มใจอย่านั้นไหมเรายังไปเพื่อสิ่งอื่นเมื่อครั้งที่เราทุกข์อยู่ริบาร์มีเวลาเราเด็กที่มีความสุขเราไปเที่ยวไปเปที่ที่ที่ทให้นะีมนะีความสุขเป็กใงริบป่์ถ้าเราดูดีๆนะความสุขที่เกิดจากการได้สิ่งอื่นมะันก็เป็นความสุข ช่วยทำช่วยทำแต่ถ้าเป็นความสุขที่เรียกว่าออกไปไม่า응ด응้เราตายไปก็ไปอม่ได้นี่บรงทีความสุขบางอย่างก็บรยมีหายไปก่อนที่เราจะตายด้วยซ้ำบางทีคนละก็ตายก่อนที่เราจะตายไป응บางทีสิ่งขอ ง, ของต้องทํางก็หายไปก่อนที่เราจะเสียชีวิตไปให้응เห็นความสุขที่เกิดจากวัตถุสิ่งของ เราขึน้นอย่างแท้จริงไม่ได้แต่กองคุณอะไร่ะ ท, ท, ที่เราจะสามารถขึ้นได้อย่างแท้จริงได้อาจารย์มายเองก็เคยไปถามตัวเองว่าที่นี้นนะเราอยากจะทําอะไรมากที่สุดหรือถา น, นมนสัประมาณว่าทีนี้ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเราจะเสียใจ ที่สุดยงไปฐานเลยนะถ้าเราไม่ไทำสิ่งนี้เราจะรู้สึกว่าเสียดายหรือว่เสียใจมาก็ต้อตัวมือนะหมายถึงว่าสิ่งที่เราจะเสียดายและเสียใจที่ไม่ได้ทำคือเราไม่ได้ศึกษาธรรมะแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ทศกัณฐท่านสอน เราจะรู้สึกเกลียดได้เพราะว่าอะไรขหาดหนูต้องถามตัวเองเพราะบางช่วงบางทีเนี่ยมันมีเรื่องอยากทำเนี่ยแต่บางทีเราเรียนมาอย่างนี้เราศึกษามาอย่างนี้เราชอบอย่านี้เราก็อยากไปทํานั่นทำนนี้ได้เยอะมากมายโปรเจกต์โครงการหรือแทนการเดินทางแทนราชการมันเยอะมากอะเราก็อยากทํำเร็นแค่ตัวเลือก เพราะว่าเห็นว่าเพื่องต่างๆมันต้องดีนต้องมีประโยชน์แต่เราเราถามกันเองดูดีว่าอะไรถ้าเราได้ทําเราเสียใจหรือว่าเราเสียใจก่อนที่เราจะตายอาจะมาคิดว่าถ้าเราได้ศึกษาธรรมะหรือได้เคยปฏิบัติธรรมบ้างเราจะเห็นผลว่าที่จริงแม้เราศึกษาเพียงนเดียวหรือเริ่มต้น เราจะก็ไป่ยเปลี่ยนทีนี้เปลี่ยนแบบไหนทีนี้เปลี่ยนแบบที <t ip> ่เราคิดว่าความสุขคือเรื่องนอกตัวเราจะเปลี่ยนวิธีคิดหรือว่าเราจะเปลี่ยนมองว่าที่ความสุขเป็นเรื่องในตัวของเราเองหรือเราที่ว่าความทุกเป็นเรื่องคนอื่นทำให้เราทุกข์คนอื่นทำให้เราทุกข์ ถ้าเราศึกษาธรรนะจรเราจะเห็นว่าที่จริงกองทุกข์ทุกเกิดเพราะเราด่งไปเองถ้าเราเริ่มเห็นคนตรงนี้เราก็รู้ว่าสุขหทุกข์นี่มันอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่สิ่อนเราเลอยากศึกษาธรรมะให้มากขึ้นเพราะพระเจ้าเองก็ผู้ที่สอนให้เราไปศึกษาเรื่องนอกตัว คำสอไนของเจ้าดีๆไม่ใช่ว่าเราต้องเปลี่ยนต้นสู่ให้แตกต่างเปลียนบาลีให้เก่งจะได้แปแลภ า, าษาอินโดได้เจ้าบอกตําราดีๆคือร่างกายของเราเนี่นอาาอยอร่างกายแล้วก็จิตใจนี่แหละคือตำราเรื่องใหญ่ที่เราควรศึกษาในชีวิตนี้ไม่ต้องไปเที่ยวศึกษาที่ไหน ก็จริงตรรมดาที่แท้คือรศึกษาเรื่องกายเรื่องใจขเราทุกจ้างท่านย้อนกลับให้เรามาดูกายดูใจของเเนีแหละถ้าเรามาศึกษาเรื่องกายเรื่องใจเนเราจะเห็นว่าพ่จิตรุก็อยู่ที่กายที่ใจของเราเองถ้าเรื่องตายเราดูดีๆเราก็จะเห็นปาญหุกนักเกิดขึ้นกับกายมีิจัน เห็นความเปี่ยนแปลงกับร่างกายนี้อยู่ในจิตใจเห็นหลายๆอย่างที่เราโกษบังคับที่ได้นเราก็ว่ากายของเราือแต่บางทีจะบังคับให้มันนอนหบับก็ยังบังคับไม่ได้อืบังคับให้มันไม่ปวดนี่ก็บังคับไม่ได้กายของเราอีเหรอ ถ้าเรามองว่าเป็นตายของเราเราก็ชอบสั I ่งได้สิแต่เพราะจริงๆถ้าเราดูดีๆวได้กายของเราเองมันก็เลยบังคับไม่ได้ต่างไม่ได้มันอาจจะทําได้ในบางส่วนให้เดินให้ยืให้นั่งถ้าเราอยู่ปกติก็ทําได้แต่ถึงที่สุดแล้วเมื่อเราเป็นโรคไปไข้เก็บเมื่อเราแก่เมื่อเราจะตายมันเป็นไปตามธรรมชาติกำเนด เราดูแบบนี้หรือเราดูคนอื่นเราก็ย้อนกลับมาดูตัวเองก็เป็นแบบนี้แหละเวลาเราเยี่ยงคนอื่นที่เขาหายตัเองไม่ได้เปรี่ยงคนอื่นที่เขาเวทนาหนักนาเราก็ย้อนอักมาดูทุกวันเลยเราทราบเหตุเป็นแบบนี้แหละตอนที่เวทนาหนักหนามันก็ควบคุมไม่ได้ยาเพื่อได้เพื่อาว ไม่ได้หายใจเอทําไม่ได้เลยมันลำบากขนาดนี้ตายมุพวกแบบนี้มันบังคับไม่ได้แลใจนี้หละใจของเราไหมใจของเราเนี่ยทำไมมันโวยรายไปไหวเยลือเินใจของเราป็นอยู่แบบัวไใจของเราทำไมันคิดมากเลืเกินแต่เราอยากจะปฏิบัติทำเราก็หวังว่า ให้เคิด น, น้อยลงหน่อยบอกนดะ้อืมเวลาเราโกรธไม่พอใจเราบอกตัเองว่าอย่าโกรธได้ไหมทําได้ไหมเวลา่องหายือเวลาโดนเขาว่าบอกตัวเให้ไทุกข์ทได้ไหมทำได้ยากนะทำไมทําไม่ได้หรือว่าทําได้ยากเพราะเราไม่เฉลียวฉุน <M> ไม่ใช่ว่าทํำไม่ได้นะ ที่เราทํำยังไม่ได้หรือว่าทำได้ยากเพราะว่าเราไม่เคยฝึกเราฝึกอย่างอื่นจนทําหน้าที่การงานหาเงินหาทองได้เนเพราะเราฝึกฝึกมาทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเกิดมาเราทําได้นะใช่ไหมไม่แต่เดินก่ยังต้องฝึกอกี่จักรยานนะขับรถก็ยังต้องฝึกแต่สิ่งนึ่ที่คนไม่ค่อยฝึกคืฝึกใจ เราฝึก แ, แต่ร่างกายให้เป็นนักกีฬาให้ทํางานได้แต่สิ่งสําคัญคือเราไม่ไ ด, <ม>ด้สึกใจการปฏิบัติธรรมคือการฝึกใจคําว่าฝึกใจไม่ใช่ว่าฝึกให้ไม่คิดหรือว่าฝึกให้ใจงสงบการฝึกใจคือการฝึกรู้เท่าทันควาเป็นไปของใจ รู้ใจกลางคันเชาติก็มันเป็นอย่างไรใจมันคิดก็รู้ว่ามันคิ ด, จคด ใ, จใจมันฟุ้งซ่านก็รู้ฟุ้งซ่านใจมรนโสดก็รู้ว่าโสดนี่คือการสุกรู้ทันรู้ทันใจแต่ใจบางทีมันยากมันแรงมากผมก็เตียนก็เลยว่าก่อนที่จะไปรู้ใจ ให้เราทำคารู้กายก่นกายนะกายยารูปัจจนาสติปัฏฐานมันดูริ้วัดกว่าดูแบบไหนคือเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้เรามี้สติรู้ทันสิ่งที่เรากำลังทำอยู่การรู้ทันสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ไม่ใช่ว่พูดนะไม่ใช่พูดว่าเรากําลังเดินยืนหรืแปลงไฟกินข้าว การรู thì, thì ้ทผันคือเป็นแค่นุ่เหมือนนั่งอยู่มันเป็นความรู้สึกว่ามีรูปเนะมีตัวตระดานนั่งอยู่มันหายใจได้เหมือนกันมันรู้สึกได้ถึงถึงลมที่เพื่อนเข้าหรือเพื่อออกอยู่คือรู้สึกถึงการตัวหรืงสักอย่างแต่ไม่ใช่ตัวตัวนะตัวนี้หมาถึงว่าเป็นหน้างกายเป็นรูปเป็นร่าง ที่มันกำรงอยู่บนโลกนี้ให้ใจเราอะรู้อยู่ตรงนี้คือปัญหาของคนก็คือว่าเรามีกายเรามีใจแต่มันไม่อยู่ด้วยกันเราบอกว่าเรากายนี้ใจนี้ของเราแต่มันไม่ต้องอยู่ด้วยกันทําอย่างไรเราถึงจะให้ใจออยู่กับกายใจไม่เปคิดเรื่องอื่น ใจไม่เป็นหลงนั่นคือทำใจถึ ment, ้ใ <met> ห al way, ้ใจตัดมืออยู่กัตายให้ได้อันนี้คือการปฏิบัติการเบื้องต้นเลยนะการอุบายนะยกมือต้างจังหวะเดินจังกรมหอหายใจเข้าหายใจออกคือเป็นเอุบายดึงใจสัยุดตายดึสติตับมารู้ตัวกับสิที่เรากำลังทาพอเรามีสติอยู่กับสิ่งที่ทา ใจมันอยูกับกายแต่ใจอยู่กับกายไม่ใช่ว่าเราต้องบังคับมันอยู่ตลอดหรือว่าต้องเก่งเข้าไว้ห้ามออกไปนะือถ้าเราทำแบบนั้นมันจะเครียดคล้าย้เหมื่นกับเราสาั่งสั่งคนแบบจะไปไหนนะให้คนดูสั่งคนเตี้ยนให้คนต่างคนเตี้ยนก็ต้องใส่แจองเขาไว้เมื่อเราขังมาแล้วจะไรบ้าง ฝังไว้บ่อยนานวันเข้าหมากปืนเข้าใจอยู่ก็จะฝันเครียดนะเข้าใจอยู่ใจเราเองก็เหมือนกันถ้าเราเป็นสังเอาไว้ไม่ให้มีไปไหนเลยเนี่ยมันจะเครียดการมีสติก็คือเป็นแค่รู้ทีละครั้งมันจะไปก็ไม่เป็นไรเราก็ไปแล้วก็รู้ใหม่จิตที่มันรู้ทีละครั้งยกมือก็รู้สึก วางลงก็รู้สึกยกขึ้นก็รู้สึกรู้เพียงครันี่ยที่รู้ตัวใจอยู่กับตัวละถามว่าตอนที่ใจมัอยรนี้กับตัวเนี่ยเราทุ้มไหมไม่ทุ้มนะนะหมตอนที่เรารู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ทุ้มมันไม่มีความตุ้ตึกขึ้นไม่มีตุ้มทุ้มอืม การภาวนาดีคือนี่แหละเราภาวนาเพื่อเข้าถึงความมีู้มมักผลนิพพานที่ก็คือคิดตรงนี้ให้เราทำความรสึกดุอย์ย่งง่ายมาอแน่มีตูมะแต่บางทีถ้าเราดุตัวเราจะเผิดเปคิดพอเปิดไปคิดแล้วเราก็จะปรุงแต่งอิสสารพัดเมื่อใช่ไหมนเกคิดเกิดความอยากคิดก็เกิดเป็นความโกรธ ที่แล้วก็เกิดมีความหโง่พวกนี้ยมันเป็นเหตุทําให้เรากมีความอยากมันมีอะไรมันมีมตัวืตนใช่ไหมมีเราอยากอยากจะได้สิ่งของมาเพื่อสนองเราเราจะได้มีความสุขเราได้พอใจเราโง่เราก็มีมตัวตนที่เราเป็นผู้โง่ก็ต้องเป็นทําอะไรเพื่อระบายความโง่ เราหลงเองแล้วก็เหมือนกันมีตัวเรานั่นแหละะเพราะเราหลงมันก็เลยเกิดเป็นตัวเป็นคนขึ้นมาแต่ถ้าเราแค่รู้สึกตัวที่แท้ตัวตนไมีเมื่อสัวตนม่มีความโลภความโกรธความหลงก็ไมมีใช่ไหมเหมือนกับถ้าเราไม่มีแก้วจะเทน้ำลงไปมันไม่มีแก้วน้ำก็หม่มีที่ตั้งใม คำพูดเข้ามาถ้าเราไม่มีตัวตนเข้เป็นผู้รับคำพูดก็ผ่านไปไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่ชมหรือคำพูดที่ด่าเมื่อเราไม่มีตัวตนเข้าแล้วมันก็ไม่มีอะไรแต่ปัญหาคือว่าเราหลงไปเอาตัวของเราไปรับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นคำสุขหรือเป็นคำทุกข์การมีสติมันเหมือนการที่เราพอเรารู้ทัน ไอ้ที่เผลอไปแล้วไปรับไปลับขึ้นเผลอไปรับน้ำเอเคเข้ามาแล้วก็มีสติมันก็เหมือนคล่อมลงไปคิดไปะนะเมื่อกี้มันขาดสตินะแต่ น, นี้ก็เลยมีสติมันส่งคล่อมลงไปความทุกก็เหมือนกันเมื่อเราขาดสติมันก็เลยเกิดบาความทุบเกิดตัวตนขึ้นมาพอเรามีสตินะตอนทุบมัน ก, ก็ดับไปนะ แค่ที่จริงแล้ตัวตนจริงๆมันไม่มีมันมีแต่ตอนที่เราเผล อ, อตอนที่เราขาดสติออทําแบบนี้แหละแล้วก็ตับมือสติใหม่นะวอมรู้ออมันก็จบไปตัวตนมันก็หายไป อ, อันนี้มามีตัวอย่างนะของตัวเองนี่แหละนะของคนอื่นก็อาจจะมีคล้ายๆกันก็ได้อย่างเมื่อนะเดือนที่แล้วนะอาจารย์มากับป้าจันทุ่งนะไป ไปที่พิณียก็ไปอยู่ที่พุทธคยาสายวันไปปฏิบัติอยู่แถวต้นพระศรีมหาโพนนะมีวันหนึ่งนะตอนเช้าตั้งแต่ก่อนจันทร์สว่างเราเข้าไปไปเดินจงโกงอยู่หลังหลังหลังต้นแท่นนะตอนนี้ไม่ไมีคนอ่ะก็เดินจงโกงอยู่หลังต้นแท่นคนเดียวไม่ได้มีคน ใบโกก็สกงมาใกล้ๆเราไม่มีใครเก็บล้วก็เลยเก็บส่วนใหญ่ถ้าเป็นกลางใบคนก็จะแย่งกันนะตอนเช้ามีใครแย่งกะเลยได้เก็บไบโตก้ความรู้สึกนะตอนแรกใบโก้มันก็อยู่ต้นนะมันก็เป็นไบโก้แต่พอเราเก็บขึ้นมามันเป็นอะไรจเป็นใบโกของเรา ก็เราเกิดขึ้นมาอพอเราเก็บขึ้นมาความรู้สึกมันเป็นนี่ของของเราสราได้นะมาก็เดินจยกลงอยู่ก็สื่อไปโกลไปไม่ไปขนาดเดินในกลงไปด้วยเดินไปด้วยไม่ไปขนาดเอาไปวางไว้ที่ย่างใกล้ๆกันน่ะไปวางตรงยาพอไปวางปุกบนี่ยก็เดินไปใจคิดนี่ไปโกลของเราวางไว้ที่ย่าง คนมาเห็นที่หีไปหรือเปล่ามันมีความรู้สึกของของเราเนี่ยมนวางอยู่ตรงนั้นคนอื่นมาเห็นเขาเอาของของเราไปหรือเปล่านี่ความคิดมันหลอกเรา่ใบโกที่อยู่บนต้นไม้พอตกลงมาของกลายเป็นกองของเราแล้วพอของของเราเราเลยเกิดความกังวนเมื่อสติรู้ทันมารู้ทันแล้วก็ มันปรุงนะเป็นของของเราเมื่อเรารู้ทานแล้ใครจะดีหรือใครจะไม่ดีก็ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วใ่หมมก็เป็นเรื่องที่เราไม่ต้องไปควบคุมมันอันนี้คือพอศาสนาเกิดขึ้นมีปัญญาขึ้นมาเองปัญญามันบอกมันสอนเราเราหลงไปยึดก็เป็นของของเราะพอเราหลงไปยึดเป็นของของเราเราก็เลยปุ๊บแต่พอ เราปล่อยมันจะอยู่ไม่อยู่ก็เรื่องของเรื่องตามเหตุกามปตัจใจนะมันก็ไม่เก็นไรมันก็เลยมีปุกใจมีไหมบาพวกเราหลายๆเรื่องแล้วบางทีเราเราก็ยึดนะมันก็เลยเป็นเหตุให้เราปู๊เนี่ยให้เรามีสติคอยคันเท่านี้แหละไม่ใช่ว่ามันจะไม่หลนะแต่ถ้าเรามีสติมันจะทําความหลงด้เร็วขึ้น เมื่อเราทำความดึงได้เลยวขึ้นนะตัวตวนเราก็หายไปความทุกข์ความเพราะว่าเรามาสร้างตัว ต, วตว น, นมามาระกนี่แหละนะแค่มีสตินะมันจะทําให้เราละใจตัวมนะีตอนออกไปจัดจิตใจได้เมื่อเราเราว่างจากความมีตัวมีตนนี่แนะเมื่อนั้นแบบนึงก็ว่าจะกความทุกข์ แต่ถ้าเราภาวนาเพื่ออยากจะให้ตัวต น, น, น, น, นมันอมีความสุขมันหรืออยากจะให้ตัวตนเป็นผู้รู้เนี่ยมันจะทดฟุ้นะแต่นั้นภนะาวนาเราอยากเนีดีอ่ะเราอยากเป็นรู้เราอยา ก, ายา ก, ายากาจะได้มันรู้สึกเหมือนตัวเราหูกคล้องมันต้องหาอะไรมาเจอเข้ามาแล้วคองไม่ได้นก็ทุ้งนั้นภาวนาดูดีๆน <c oughs> เมื่อกิจมันสร้างความอยากขึ้นมันเป็นตันหาตันหาที่เป็นเป็นามธรรมเลยนะต้องเรียกภาษาบางที่ว่าภวะตันหาสร้างพบขึ้นมาที่อยากจะมีอยากจะได้อยากจะเอาอยากจะเป็นอะไรทุกอย่างบางทีนักปฏิบัติธรรมที่ตั้งใจปฏิบัติบางทีเรื่องทางโลกเราก็ปล่อยวางได้ด้วยละ แต่บางทีเราก็ภาวนาเพื่ออยากจะได้อยากจะ็เป็นอยากจะเอาเลยเท่าไหร่มันจะเป็นความเครียดมันจะเป็นความทุกข์นะดังนั้นบางทีต่อมาจีิงๆนะต้องยุ้งยันตวาอยากที่เกิดขึ้นดีใจหรือไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเอามันก็ทุกข์นะไม่อยากอะไรเช่นไม่อยากให้มันง่วง ไม่อยากให้หนุณคุ้มซ่านไม่อยากให้ใส่รบกวนความประท้วของเราคําว่าไม่อยากเนี่ยไม่อยากให้มีม ค, มควม า, นะควา ม, า ม, ามโลภความโกรธความหล่ไม่อยากโหลงเลยมือก็ฟุ้งนะแต่ถ้าเราภาวนาแบบไม่อยากหือไม่ชอบนะมืกอก็ทุ้งแต่ภาวนาทีตีนจิดยังแค่รู้รู้แบบไห น, นรู้ อยากที่มันเป็นไม่ใช่อยากจะรู้อย่างที่เราอยากจะให้มันเป็นคำว่ารู้อยากที่มันเป็นก็คือว่ามันคิดก็แค่รู้ว่ามันคิดมันง่วงก็แค่รู้ว่ามันง่วมันโกรธมันไม่พอใจก็แค่รู้แต่ถ้าเรารู้แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ดีเราไม่ใช่ความคิดนั้น คำว่าไม is, <c ười> ่ด <learn> ีคือความคิดฟุ e. ้งซานไม่ดีนี่คือความคิดที่เราไปลงเราไปให้ค่าไม่ชอนี่ชอเป็นควาคิดแต่ถ้าแก้รู้นะรู้ชัดเจนมันก็จบเลยทุอย่างจะง่าหนูกขาเรียนนัสอนแบบรัดรัดเลยรู้อะไรก็ถ้าแค่รู้จรดเจรู้แล้วไม่ต้องไปคิดเอาเปคิดอย่าไปคิดปรุงแต่งต่อ รู้ติดเศเมื่อรู้ติดเศษแล้วจิมก็จะว่างจากความคิดเหตุจที่ทํายกจิตมันเผลอไปคิดเผลอไปคิดกับเราไม่รู้ตัวจิดมังแต่งถ้าเรารู้ทันจิตปรุงแต่งรู้จัิติดคิดนมันก็ไม่หลต้องม่พูดแล้วการภาวนาเนี่ยนะเริ่มต้นด้วยการสติรู้เท่าทัน ตามตายที่กำลางทำอะไรอยู่อจะเรียกว่ารู้กายเคลื่อนไหวไมได้ต่อไปจะรู้ทันใจที่คิดนึกอเมื่อเราเห็นตายที่เคลื่อนไหวรู้เท่าทันใจที่คิดนึกมันจะเกิดปัญญาว่าสิ่งทั้งหลายทุกดวงไม่ว่าจะเป็นตายหรือไม่ว่าจะเป็นใจล้วนลวนไม่เที่ยล้วนเปลี่ยนแปลงกันหมดนั่นเลย ปัญญาแล้มันจะเกิดขึ้นนะเอาวานานไม่ใช่ว่าจะไปรู้เห็นอะไรนะให้เกิดปัญญาเสียงว่าทวนิ่งเงียบเป็นแบบนะมันเป็นฟู้กันแบบนะมันไม่ใช่ตัวคนจริงๆเป็นแบบนี้เองเมื่อเราเห็นด้วยการมีปัญญาขึ้มนมาจิตมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจิตมันจะเกิดการอเรียกว่าเบื่อนาน เบื่อหน่ายไม่ใช่เบื่อคนอื่นนะเบื่อหน่ายเป็นความหลงของร่ำแะทาไมเราหลงวนแบบนี้เรื่อยโกรธทกกทุกวันหลงก็หลงทุกวันคิดกคิดทุกวันทาไมตัวตนก็เกิดขึ้นทุกวันแต่ไม่ใช่ว่าเบื่อหน่ายว่ต้องห้ามมันไม่เบื่อนะแต่เบื่อหน่ายที่เราหลงแบบนี้รู้กีกเขากิดท่านะ เราปุ๊กเพราะเรื่องนี้เรื่องตีคราบตีคราวแล้วเมื่อเราเห็นความจริงว่า ม, มันเบื่อหน่ายในการในสิ่งที่เราหลเนี่แหละหลงไปยึด ว, ว่านระูปนี้น่ะหรือว่าใจนี้เป็นของเราเนะี่ยแหละเมื่อเราเบื่อห น, า น, หนา่ายตนี้นะมันก็คลายความยี่มัน่นหรือมั่นเองมันก็มองว่าสิ่งเกิดขึ้นกับรูปกับนามันเป็นเพียงแค่แค่ธรรมชาติมันเป็ น, นเพียงแค่อาการ เมื่อเราบอกมันก็เลยเกิดเป็นตัวตนแต่ถ้าเราเห็นม er, er. so, er, er. uh, ีด uh ีม huh. so ันเป็นปีแค่อาการเูื่อมันเป็นปีแค่อาการมันไม่มีเราเป็นผู้สุดเป็นผู้ทุกข์มันเป็นมีแค่อาการสุดอาการุมันเป็นเป็นีแค่ที่เอกที่หนะกถ้าเราภาวนาเนี่ยเราก็จะเกิดสติปัญญาตรงนี้แหละแล้วสติปัญญาตรงนี้แหละมันจะเป็นปีตื้นของเรา เรื่อเราทำงานเป็นีมเราจะรู้เลยว่าที่คื้นที่แท้จริงคือการมีสติ ม, มีความรู้สึกตัวนี่แหละมันจะเป็นที่พื้นแต่ก่อนใจที่มันเที่ยวสแสวงหาความสุสบบ ข, สทสบบขนะ เ, เที่ยวสแสวงหาความรีบตุกคือใจที่เที่ยวเปแสวงหาข้างนอกนะเราเป็นเที่ยวแสวงหาความสุขนอกตัวแสวงหาความรีบุกนอกตัว หรือผงอารมณ์ไว้น่มันเป็นจิตที่เที่ยวสออกนอกนั้นแหละแต่พอจิตเรามีที่อยูจิตเรามีเครือยู่คืออะไรคือการรู้ตัวคือการรู้ธรรมนี่แหลจิตมันมีที่อยู่มันไม่ต้องไปเที่ยวไปไหนหาที่ไหนมันจะรู้ว่าอ๋อความนี้ทุกมันก็อยู่ตรงที่เรารู้ตัวนี่เอง ความสุขความสงบก็อยู่ตอนที่เรารู้สึกตัวนี่เองมรรคผลนิพพานก็อยู่ที่ตรงนี้นี่เองไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยแต่เพียงแต่ว่าเรารู้เป็นเรื่องต้นเป็นเป็นทางแต่ทางที่เราเดินก็ต้องเดินต่อไปเพราะว่านะกิเลนมันก็ทํางานมันก็ชวนให้เรานู้เรื่อยไป เราแต่เราจะพบว่าเราพบทางแล้วทางนแหละถ้าเราเดินต่อไปด้วยเราถือว่าเราได้ทาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าใครพบทางะจะเกิดความขยันเองขยันไม่ใช่ว่ามันจะต้องเดินจงกรมทั้งวันยกมือทั้งวันแต่มันจะขยันตั้งมารู้ตัวเอง แต่ทาอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดกันเหมือนกับมาดูตัวเองนะแต่ทำงานกับคนอื่นหรือทํางานกับคนคนเดียวก็แล้วแต่มันก็จะขยันกลับมาดูตัวเองแต่ก่อนจิตมันส่งไปข้างนอกไปดูคนอื่นไปทิ้งาวให้ใครื่ไปสังเกตใครอื่นแต่พอสจิตมันมันหลักมันก็ในงานนีมันจะกลับมาสะท้อนสังเกตดูตัวเองอยู่ด แต่ไม่ค้อยสนใจคนอื่แต่ถามมารู้คนหนึ่หมรู้แต่มันจะกำลังสนใจดูตัวเราเป็นหลักดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับตายใจเป็นหลักอันนี้คือความเปลี่ยนข้อคนะมเมื่อเราขยายแต่มาดูตัวเองจริงๆมันจะรักเกลีเองมันจะจะเดินบุญสนเองออันนี้แหละเมื่อจิตมันรู้ตัวเนี่ยจิตมันจะเกิดความตั้งมั่นมั่นคงะ คำาจิที่มีสมาธิไม่ใช่แค่สงบนะจิตมีสมาธิคือจิตมันมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ไั่แย่นแคลงแคลงใจหรือไปแล้วก็กลับมาได้เนเกิดการมีสติการมีสติจะทําให้เรามีความเรีย็นมีความสงกมีความตั้งมั่นแล้วต่อไปเราก็มีปัญญา เข้าใจความเป็นจริงนะของลูกของนางนี่แหละนะนะให้พวกเราลองดูเนานะลองฝึนะกฝึกเจริญสติถนะ้าเราก็จะเข้าใจแต่ว่าการมีสตินี่แหละจะเป็นที่นึี่ให้กับตัวของเราเองฝนะึกหึกทุกหรือนะว่าไม่ไม่ทุกไม่สุกเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนสังเกต ด, ดู วเวลาเผลอเป็นสุเกเผลอเปื่ทุกเนี่ยเราขาดสติตอนที่มีสติมันจะรู้นะรู้ทันความสุขรู้ทันความทุกข์ก็จะมีเครื อ, อยู่เนี่ยถ้าเราผิดเครื่องอยู่ตรงนี้จะอยู่ที่นั่งก็ได้ก็สบายจนะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํา ง, งานก็จะเข้าใจว่าเอนี่แหละนะที่อยู่ของจิตนะจิตไม่ใช้เราจะไปสระโจน น, นะ แต่จิตมัรู้ตัวจิตมัรู้ทันอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้ทันะไม่ใช่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะต้องดีอย่างเดียวไม่ดีเราก็รู้ดีก็รู้ก็แค่นั้นไม่ใช่ไม่ดีพยายามจะรดีพยายจะเอาให้แบบนั้นจิตไม่เป็นกลางจิตยังมีความตชอบความไม่ชอมีสิ่งที่จะเอามีสิ่งที่ไม่เอา แต่ถ้าแค่ดูผสีเนี่ะอะไรอย่างเี้ึก็ได้ไม่เป็นไรก็ แ, แค่ดูมันเรื่อยๆพอใจเป็นการมันกระบวนการที่เราจะเรียว่าขอนการที่มั่นหรือมั่นหรือกระบวนการที่เราจะหลุดออกจากโลกนี้จริงๆนะเพราะลกเป็นกระบวนการที่เอราแบบค่อยๆ่อย่องมา ถอยออกมาเป็นผู้ดูถอยออกมาจากการสังเกตสิที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราเข้าไปอยู่กันมามันจะเป็นเป็นต้องเลยแต่เราออกมาดูออกมาสังเกตดูนะมันจะค่อยคถอยมันจะเห็นมันเป็นเรื่องของโลกเรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องโลกดาวเคราะวงนี้นะเรื่องของควารมณ์ของโลกอ เราจะพ้นจากโลกเน่ยเราจะพ้นออกมามันเป็นเรื่องของโลกโลกปวดหัรักทางในเรื่องขอโรกนั่นเลยถ้าเราไปเกี่ยวข้องอยู่มันจะเป็นตุขงความทุกข์พวกนั้นเลยถ้าเราพ้นออกมาเนี่ยก็แล้วก็พ้นออกมาจากความทุกใช่นั่นแหละมันก็คลายตรงนั้นใช่ไคายไปเนาะแต่ก็เทียนท่านสอนตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านกสอนตรงนี้อยู่ที่ตัวเราแหละ จะลองมาเรียนรู้แล้วก็ลองทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะแต่วันนี้ก็จะได้นะตาพวกเราได้ฝึกปฏิบัติกันนะฟังไปก็รู้แก้ฟังได้หละลยบนฟังไปเนี่ยเป็นผู้ผู้รู้แต่ต้องทำให้เป็นผู้ที่มีมีสติผู้รู้เนี่ยยังรู้เอาไปเขียนกัน รู้เป็นตัวเป็นตนแต่การมีสติมีธรรมะเน่ยความมีธรรมะมันเะเดียือควา ม, มเป็นตัวคนออมไปทุนเข้กมาแทงพี่ก็มันต้องฝึกมันต้องเราทำต้องตัดกับสตาร์บั๊คนนี้อ่เนานะเนื่องจากวันนี้นะเ่คน